ตอนที่หนึ่งร้อยหสิบเจ็ดคบกันอย่างเป็นทางการเมื่อหยวนเศร้าเหิงเอ่ยออกมาอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งปฏิกิริยาแรกของหลี่หวานคือลนลานเล็กน้อยเธอถึงกับไม่กล้าสบตาเขาตรงๆงวันนี้พี่มาหาฉันคงไม่ใช่แค่เพราะอยากจะถามเรื่องพวกนี้หรอกนะข้อมูลที่พี่อยากรู้ก็น่าจะรู้ไปหมดแล้วนี่นาน้ำเสียงของหยวนเศร้าเหิงชะงักไปครู่หนึ่งเยวันเธอคิดยังไงกันแน่พี่รู้สึกมาตลอดว่าเธอไม่ใช่คนที่มีนิสัยอึกอักลังเลแบบนี้ ลิวานขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดอย่างไรดีที่ข้าฉันเองก็ไม่รู้ว่าในใจคิดยังไงกันแน่แต่อย่างน้อยฉันก็ไม่อยากให้พี่ไปต่างประเทศทว่าอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ไปขัดขวางการตัดสินใจของพี่การไปต่างประเทศย่อมเป็นผลดีต่ออนาคตของที่มากกว่าจริงๆไม่อยากให้พี่ไปต่างประเทศนี่หมายความว่าชอบพี่ใช่ไหมริมฝีปากบางของยวนเศร้าเหิงอดไม่ได้ที่จะยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยหืม สีหน้าของหลีหวานยังคงเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายหยวนเศร้าเหิงดูเหมือนจะไม่รีบร้อนเขารอให้หลีหวานคิดทบทวนให้เข้าใจเวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่าในหัวของหลีหวานยุ่งเหยิงไปหมดเนื่อนานผ่านไปหยวนเศร้าเหิงก็ถอนหายใจออกมาเบาๆจากนั้นเขาก็มองหลีหวานด้วยสายตาอ่อนโยนตอนนี้พี่ถามอะไรเธอก็ตอบตามนั้นนะหลีหวานเธอรังเกียจที่ไหม ขณะที่หยวนเซาเหิงพูดดวงตาของเขาจ้องมองเธอเขม็งโดยไม่กระพริบเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีหน้าเพียงเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอหลีหวานสายหน้าโดยไม่ลังเลไม่รังเกียจค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่จะจีบเธอเธอรู้สึกรังเกียจไหมครั้งนี้หลีหวานลังเลไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็ยังคงสายหน้าไม่รังเกียจจริงๆนั่นแหละในเมื่อไม่รังเกียจนั่นก็แสดงว่าในใจของเธอก็มีความรู้สึกให้พี่เหมือนกันเราสองคนไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเลยทําไมจะพัฒนาไปเป็นคนรักกันไม่ได้ละ่ะ หยวนเศร้าเหิงค่อยๆชักจุงอย่างใจเย็นเสียววนจริงๆแล้วพี่ดูออกสิ่งเดียวที่เธอเป็นกังวลก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราเคยอยู่ด้วยกันในฐานะพี่น้องมาก่อนแต่นั่นมันไม่สําคัญเลยจริงๆนะหลิวหวานไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องความรักเลยแม้แต่น้อยเธอรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันยากกว่าการอ่านตำราแพทย์เสียอีกที่บ้านเรื่องคนในครอบครัวเธอยิ่งไม่ต้องกังวลคุณย่ารู้เรื่องนี้แล้วไม่แน่ว่าคุณย่าอาจจะบอกอาสภายไปแล้วด้วย ส่วนอาสองก็น่าจะพอดูออกจะมีก็แค่ทางบ้านของที่คุณปู่คุณย่าท่านเคยเปรยกับพี่ตั้งนานแล้วว่าพวกท่านสนับสนุนให้พี่ชอบเธอหลังจากหยวนเศร้าเฮิงพูดจบหลี่หว่านก็เบิกตาพลงสรุปว่าคนรอบข้างรู้กันหมดมีแค่เธอที่เป็นคนสุดท้ายที่เพิ่งรู้เนี่ยนะในฐานะคนในความสัมพันธ์กลับไม่ใช่คนแรกที่รู้เสียอย่างนั้นหลี่หว่านกระแอมไมออกมาเล็กน้อยงั้นที่พี่กลับไปตระกูลหยวนคงไม่ใช่เพื่อที่จะได้คบกับฉันอย่างเปิดเผยหรอกนะอื้งใช่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหตุผลนี้ ยวนเศร้าเหินพยักหเบๆและอีกส่วนหนึ่งก็เพราะตอนนี้คุณปู่คุณย่าท่านอายุมากแล้วถ้าพี่กลับไปก็คงจะช่วยแบ่งเบาภาระของพวกท่านในตระกูลยวนไม่มีอะไรไม่ดีหรอกแค่อาจจะปรับตัวยากหน่อยพ่อกับแม่ก็มีที่เป็นลูกชายคนเดียวแม้แต่น้องสาวที่มีสายเลือดเดียวกันกันกบพี่ก็ยังทําดีกับพี่ชายที่จู่ๆก็โผล่มาคนนี้มากเมื่อหลีหวันฟังเขาพูดจนจบก็ไม่นึกเลยว่ารับหลังเขาจะจัดการเรื่องราวต่างๆไว้มากมายขนาดนี้ช่างวางแผนได้อย่างรัด ก, กุมทุกย่างก้าเสียจริง เขาสามารถทิจารณาได้อย่างรอบครอบในทุกๆด้านหลีหวานเม้มริมฝีปากที่ข้าทั้งเรา ค, ร บ, ครบกันไปแล้วเกิดไปกันไม่รอดขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคนสองคนที่เคยรักกันจริงๆสุดท้ายคงกลับไปเป็นเพื่อนกันไม่ได้แน่ๆหากความสัมพันธ์ของพวกเขาพังลงต่อไปเวลาต้องเจอหน้ากันคงจะอึดอัดพิลึกไม่มีทางหยวนเศ้าเหิงปฏิเสธความเป็นไปได้ที่หลีหวานพูดออกมาทันทีเราสองคนจะรักกันดีตลอดไป หลิหวันรู้สึกว่าเรื่องของความรักไม่มีใครบอกได้แน่นอนในเมื่อพูดมาถึงขั้นนี้แล้วเธอจึงลังเลอยู่ครู่หนึ่งอึม ต, ตกลงข้างนั้นก็ลองดูไปก่อนถ้าไม่เหมาะสมกันก็เลิกกันได้ทุกเมื่อแต่ฉันขอพูดไว้ก่อนนะต่อให้เราต้องเลิกกันจริงๆก็ห้ามโกรธแค้นจนมองหน้ากันไม่ติดเด็ดขาดริมฝีปากบางของหยวนเศร้าเหิงยกยิ้มขึ้นเมื่อก่อนทําไมเขาถึงไม่ยักย้ายรู้เลยนะว่าเด็กสาวคนนี้จะน่ารักได้ขนาดนี้นี่ยังไม่ทันเริ่มคบกันเลยก็คิดไปถึงเรื่องเลิกราในอนาคตเสียแล้ว หยวนเศร้าเหิงอารมณ์ดีขึ้นมากเขาไม่ได้ตอบคำถามนั้นเพียงแต่ยื่นมือออกไปโอบกอดหลีหวานไว้วงแขนออกแรงรัดเล็กน้อยหลีหว่านได้กลิ่นหอมจางๆที่เป็นเอกลักษณ์จากตัวเขาเธอจึงหลับตาลงแล้วพี่จะยังไปต่างประเทศอยู่ไหมพี่ไม่เคยคิดจะไปต่างประเทศเลยสักนิดน้ำเสียงทุ่งต่ำที่มีสเสน่ห์ของหยวนเศร้าเหิงดังมาจากเหนือสีสันหลีหว่านชะงักไปทันทีที่ว่าไม่เคยคิดจะไปต่างประเทศหมายความว่ายังไง ที่จัดการเตรียมการไว้หมดแล้วไม่ใช่เหรอผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รู้เรื่องที่พี่จะไปต่างประเทศกันหมดคุณอหยวนยังพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังมากเลยนะถึงขั้นพูดเรื่องอนาคตของพี่ที่ต่างประเทศไว้แล้วด้วยหลี ห, หวันเงยหน้ามองเขาด้วยความตกตะลึงมีบางอย่างไม่ถูกต้องนั่นมันความคิดของพ่อพี่ไม่ใช่ความคิดของพี่เสียหน่อยถ้าพี่ไปต่างประเทศอย่างน้อยก็ต้องหลายปีกว่าจะได้กลับมาถึงตอนนั้นพี่ไม่ได้อยู่ข้างกายเธอใครจะไปรู้ว่าจะมีใครโผล่มาจีบเธออีกหรือเปล่าของรักของห่วงของตัวเองแน่นอนว่าต้้้้อองเฝาไวใหหดีหน่ย ยนเศร้าเหิงก้มลงสบสายตาที่กำลังอึ้งกิมกี้ของหลี่หว่านเมื่อมองดูเธอในระยะใกล้เช่นนี้เครื่องหน้าของเธอช่างงดงามจนหาที่ติไม่ได้แม้แต่ผิวพรรณก็ยังละเอียดเนียนนุ่มลูกกระเดือกของเขาขยับขึ้นลงอย่างไม่ทราบสาเหตุก่อนจะโน้มตัวลงจุมพิษ ท, ที่หน้าผากของหลี่หวานหลี่หวานมองดูเขาที่โน้มลงมาจูบหัวใจในทรงอกเต้นรัวเร่าร่ากับจะ ก, กระดอนออกมาจากลำคอมันเร็วเกินไปแล้วหลี่หวานสัมผัสได้ถึงความอุ่นนุ่มที่หน้าผากแก้มของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อขึ้นมาทันที พูดตามตรงนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งสองชาติที่เธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามหลหวานไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะักแต่หลังจากที่ยวนเศร้าเหิงช่วยวิเคราะห์ให้เมครูเธอถึงได้รู้สึกว่าที่แท้เธอก็ชอบเขาอยู่บ้างเหมือนกันในเมื่อชอบก็ควรจะอยู่ด้วยกันไม่นึกเลยว่าเมื่อกลับมาเกิดใหม่ครั้งนี้เธอจะได้คบกับน้องชายที่อายุน้อยกว่าถึงแม้ในความเป็นจริงอายุของเธอจะมากกว่าหยวนเศร้าเหงิงแต่ความรู้สึกแบบนี้มันก็ยังดูแปลกๆอยู่ดี ในตอนเย็นหลี่หวานไม่ได้กลับไปเธออยู่เป็นเพื่อนหยวนเซาเห์เิรทานข้าวที่โรงอาหารของโรงเรียนอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียนนี้อร่อยกว่าที่มหาวิทยาลัยการแพทย์มากไม่รู้ว่าเป็นเพราะเธอเบื่ออาหารที่โรงอาหารโรงเรียนตัวเองแล้วหรือเปล่าหยวนเซาเห์เฮิร์จัดแจงให้เธอพักที่หอพักของเขาส่วนตัวเขาเองก็ไปเบียดนอนกับคนอื่นในหอพักอีกห้องหนึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนเพิ่งจะยืนยันความสัมพันธ์กันยังคงต้องรักษาความเหมาะสมและระยะห่างที่ควรมีหยวนเซาเห์เฮิรต้องการปกป้อ ง, องเธอให้ดีที่สุด คืนนั้นหลีหวันนอนอยู่บนฟูกที่นอนของหยวนเซาเหิงเธอรู้สึกไม่ต่างจากการนอนอยู่ในอ้อมกอดของเขาเลยกลิ่นอายบนเสื้อผ้าของหยวนเซาเหิงที่อบอวลอยู่ตรงปลายจมูกทําให้รู้สึกสบายใจมากเธอหลับสนิทตลอดทั้งคืนหลีหวันถูกหยวนเซาเหิงปลุกให้ตื่นในเช้าวันต่อมาเธอถึงได้สังเกตว่าตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งแล้วตามหลักแล้วเพื่อนเในหอพักโรงเรียนควรจะตื่นกันหมดแล้วแต่เธอกลับนอนขี้เกียจอยู่ในโรงเรียนจนถึงป่านนี้ ดูออกเลยว่าเมื่อคืนเธอนอนหลับสบายมากหยวนเศร้าเหิงมองรอยแดงที่ถูกกดทับบนแก้มของเธอด้วยสายตาอ่อนโยนวันนี้พี่จะพาเธอเดินเที่ยวในโรงเรียนของเราเมื่อวานเธอบอกว่าอยากเห็นโรงเรียนไม่ใช่เหรออืมอมหมลีวันนพยักหน้าตอบรับอย่างเชื่องช้าเมนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นคนรักกันแล้วก่อนจะออกเดินทางไปโรงอาหารเธอจึงเป็นฝ่ายคว้ามือของหยวนเศร้าเหิงมากุมไว้ก่อนทําแบบนี้ถึงจะดูเหมือนเป็นคนรักกันหน่อย ฝ่ามือของหยวนเศร้าเหงิงมีข้อกระดูกที่ชัดเจนเป็นมือที่รูปทรงสวยงามมากอย่างน้อยมือคู่นี้ก็เป็นแบบที่หลีหวันชอบที่สุดเลยล่ะ